เราก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมบัเช้าเป็นเช้าวันที่สามของการเดินทางการการธรรมบัเช้าก็มีอันิสงส์หลายอย่างอย่างหนึ่งที่เราจะได้เต็มที่ก็คือธรรมะที่สอดแทรกอยู่ในพุทธพจน์หรือว่าคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้า ในเนื้อหาว่าด้วยเรื่องขันเรื่องธาตุทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแต่ว่าเป็นเรื่องของขันทั้งห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรหรือเราจะพิจารณาในความเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นร่างกายว่าจะเป็นสิ่งของภายนอกไมือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นธาตุที่มาประกอบกันเท่านั้นถ้าเราได้ ค่อยๆพิจารณาในในร่างกายของเราเองในวัตถุสิ่งของภายนอกเองเนาะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันเสมอกันในความเป็นคนทุกคนก็มีธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเราเป็นพี่น้องเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราไม่รักเขาก็มีความเป็นธาตุเสมอ ก, กันกับเรา แม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่สัตว์ที่มีหน้าตารูปร่างต่างจากเรามากมายแต่แท้ที่จริงแล้วเขาก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เหมือนกันกันกบเราแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่ดินน้ำอากาศก็เป็นธาตุเท่านั้นะเป็นแต่รูปร่างหรือว่าองค์ประกอบมาต่างกันเท่านั้นนถ้าเรามาฟังธรรมะบทนี้บ่อยๆเราก็จะได้ทราบซึ้งถึงความ ถึงความเหมือนกันนะความเหมือนกันในแต่เพียว่าความเป็นธาตุที่มาประกอบกันเท่านั้นเหมือนกับตอนเด็กๆเราเล่นดินน้ำมันเนาะดินน้ำมันก็เรามาปั้นเป็นรูปหัวรูปคายรูปคนรูปรถรูปอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดจากดินน้ำมันก้อนเดียวนั่นแหละที่เราแล้วแต่เราจะปั้นหรือใครเป็นช่างปั้นหม้อ ออกจากดินเหนียวปันเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่นี้อะไรที่มันปั้นให้เรากลายเป็นคนอะไรที่มันปั้นให้เรากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรที่เขาปั้นให้เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นส่วรกายตัวที่ปัน้นบุงแต่งให้เราเกิดเป็นภพภพนั้นภพนี้ก็คือกรรมนะ กรรมที่ที่พวกเราได้ทำนี่แหละนะ เ, เป็นการจัดสรรเป็การปั้นแต่งให้เราเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นในสิ่งต่างๆพบภูมิต่างๆกรรมนี่แหละเป็นการปั้นแต่งนะชีวิตนะให้ได้เกิดมาในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีแต่คราวนี้กรรมที่มาส่งผลใน ในอดีตก็ดีส่งผลในปัจจุบันก็ดีเนาะหรืออาจจะส่งผลในอนาคตก็ดีเราก็ไม่สามารถคาดการได้หรอกนะว่ามันเป็นกรรมตัวไหนที่ส่งผลให้เราเป็นเช่นนี้แต่สิ่งที่เราจะฝึกให้มากกว่นั้นคือฝึกในการทำกรรมฐานให้ยกจิตยกใจให้เหนือจากจากวิบากของกรรมที่มาส่งผลนะคืากของกรรมอาจจะส่งผลให้เรา เจ็บใข้ได้ป่วยวิบากของกรรมอาจจะทําให้ส่งผลให้เราต้องเจอปัญหาเจะอุปสรรคในชีวิตมากมายวิบากของกรรมอาจจะส่งผลให้เราประสบเคราะห์ประสบะความโชคร้ายต่างๆมากมายอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของวิบากของกรรมแต่ถ้าเรามีกรรมฐานเป็นตัวฝึกใจนะมันจะทําให้จิตใจของเราเหนือจากวิบากของกรรม วิบากของกรรมอาจจะส่งผลแค่แค่เรื่องของกายในความทุกข์ของกายในความเจ็บของกายหรืออาจจะส่งผลต่อให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดความไม่สะดวกสบายต่างๆเกิดขึ้ น, นกับชีวิตนี้แต่จิตที่ฝึกตีแล้วจะนํามาซึ่งความไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนํามาซึ่งความไม่ทุกข์กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิต นะกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ชั้นดีในการที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเป็นอุปกรณ์ชั้นดีที่ทำให้เราเรียกว่ามีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งมั่นมากขึ้นแม้จะอาจจะวั่นไหวไปบ้างแม้จะทุกข์ไปบ้างแต่ถ้าเราสามารถกลับมาหาสภาพวัคคับในปกติของจิตได้นะ น, นั่นแหละคือสิ่งที่ที่ดีมากๆนะ ชีวิตมันก็เหมือนกับคล้ายๆเป็นการเดินทาง嘛เนาะเหมือนเราเดินทางทุดงหรือว่าที่จริงในชีวิตของเราก็เป็นการเดินทางเช่นเดียวกันเนี่เจอความสุขเจอความทุกข์เจอปัญหาเจอความสะดวกราบเรียบนะมันก็เป็นรสชาติหนึ่งของของการเดินทางนะเราก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆนะอย่าไปติดอย่าไปข้องอย่าไปแวะอะไรถ้าเราพิจารณาธรรมะในแ ง, ง่ตรงนี้เนาะเราก็แยกธรรมะทั้ง ใช้ในการเดินทางครั้งนีนะ้หรือว่าในการเดินทางในพบนี้มันยังไม่จบยังไม่สิ้นพบต่อไปที่เราจะต้องไปเกิดมันก็จะเอธรรมะที่เราได้สะสมได้ฝึกนี่แหละเอาไปใช้ต่อแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้มาเลยมันก็มันก็ยากที่จะที่จะเข้าใจหรือว่ายากที่จะทำต่ อ, อเหมือน วิชาวความรู้อะไรต่างๆก็ได้แต่ถ้าเราไม่เคยเรียนถ้าเราไม่เคยหัดนะเราก็ทําไม่เป็นนะแต่สิ่งใดที่เราเคยเรียนแล้วเคยหัดแล้วนะเราก็สามารถทําได้แต่บางอย่างเรียนแล้วเคยหัดแล้วทําเป็นแล้วแต่ไม่ได้ทํานานๆมันก็ลืมไปได้เช่นเดียวกันการฝึกจิตฝึกใจของเราก็เช่นเดียวกันมันจําเป็นต้องต้องเรียนรู้นะ จากพระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาก่อนต้องเรียนรู้จักรุ่นพี่ที่เคยที่เคยเรียนมาก่อนนะเราต้องเรียนรู้จกักจากตัวบุคคลเป็นส่วนประกอบหนึ่งและส่วนหนึ่งพอถ้าเรามีมีความแยบคายเปในจิตนะรู้จกักรู้จักวิเคราะห์ไตรตรองรู้จักทบทวน เราก็สามารถเรียนรู้จากตัวของเราเองก็ได้นะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองเรียนรู้จากจิตจากใจจากกายของเราเองอันนี้ก็ได้นะนี่เป็นการเรียนรู้นะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะเกิดการฝึกหัด บ, บ่อยๆฝึะกหัดบ่อยๆกระทำบ่อยๆมันก็เกิดกลายเป็นความชํานาญเป็นการชํานาญที่จะเรียกว่ายกจิต ย, ยกใจออกจากความทุกข์อันนี้คือเราต้องมาเรียนรู้ ฝึกนแล้วก็ทำให้ชำนาญแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ทำต่อไปเรื่อยสิ่งที่เราเคยทำได้มันก็จะลืมมันก็จะเรื่นไปมันก็จะไม่คล่องแคล่วเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็ต้องทำไปเรื่อยในการฝึกจิตฝึกใจในส่วนหนึ่งของการสวดมนต์ทำวัดนอกจากเราจะได้พิจารณาธรรม ะ, นะในบทสวดมนต์ที่มันเข้ากับ เรื่องราวในจิตใจหรือว่าชีวิตของเราเองแล้วเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ระลึกถึงคุณของพระรันตนไตยนะเราออกมาจากวัดเช่นนี้ออกมาจากบ้านเช่นเนี้ยเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งละ่ะอะไรจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงพระพุทธเจ้าสิเป็นที่พึ่งของเรานะจากธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านสอนเรา จากตัวอย่างวิถีชีวิตของท่านเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งให้กับเราได้นะพระพุทธองค์ท่านเป็นเป็นพระราชโอรสนะที่ถ้าจะคลองเรือนถ้าจะครองราชสมบัติก็คงไม่มีความลำบากอะไรมากมายแต่พระพุทธองค์ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตของท่านนั้นเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราให้เห็นว่าทรัพย์สินภายนอก ให้เห็นว่าชื่อเสียงกิติยศภายนอกให้เห็นว่าสมบัตนะิหรือว่าให้เห็นว่าความรู้ภายนอกความรู้ทางโลกมันไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับพระพุทธองค์ได้อย่างแท้จริงนะท่านก็ยังอุตส่านหะ์สละออกบวชนะนุ่งห่มผ้ากาตวพัดนะออกบวชจากเรือนนะออกมาเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระุองค์ท่านก็กระทำให้พวกเราดูเนาะให้พวกเราดูแม้ท่านจะมีภรรยาที่สวยแม้ท่านจะเพิ่งมีลูกที่เกิดมาแต่บารมีที่ท่านได้กระทำฝุกฝนมามันก็ทำให้ท่านนะสระสมบัติภายนอกเพื่อสแสวงหาสมบัติที่เป็นภายในจริงๆเป็นอริยทรัพย์ที่สูงสุดจริงๆคือโมฆะธรรม คือธรรมที่นำมาซึ่งความออกจากความทุกข์นะอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็เป็นทั้งตัวอย่างให้กับเราและถ้าเมื่อใดที่เราเกิดปัญหาหรือเกิดความไม่มั่นคงไปในจิตใจเราคิดถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเราก็เกิดความอุ่นใจนะเรียกว่าเป็นพุทธานุสติเราะเราถึงคุณพระพุทธองค์เมื่อไรเราก็เกิดความมั่นคงไปในจิตใจนี่เป็นพุทธานุสติอย่างหนึ่ง นะหรือว่าเราจะเราได้พิพึ่งจากธรรมะนะธรรมะที่เราได้จากการสวดมนต์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแหละนะมันก็เป็นธรรมานุสตินะธรรมานุสติในการที่เราอาจจะเดินผ่านความเหนื่อยความร้าเอก็ถ้าเราะลึกถึงเออกาย ม, มันก็ไม่ใช่ของเราเนะนะนาะนะเวทนาความสุขความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเนาะมันไม่ใช่ตัวตนเนาะ เราคิดถึงธรรมะนะในทุกขณะจิตนะชีวิตของเราก็เรียกว่าก็ปล่อยก็วางไดนะ้หรือบางครั้งเราก็คิดถึงความความตายเป็นของเที่ยงนะชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนเราก็จะไม่ประมาทในการมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจทุกวันที่ได้มีชีวิตอยู่นียก็จะใช้เป็นเวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่า ความตายเป็นของแน่นอนนะชีวิตของไม่แน่นอนจะตายวันตายฟุ้งก็ไม่รู้นะเราต้องใช้ชีวิตนิยมฆ่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็เป็นธรรมานุสตินึกถึงมรณ า, านุสตินะเป็นอนุสติที่เตือนใจให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติเราจะนึกถึงตัวอย่างของพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแก่แก่ธรรมแล้วมันก็เป็นกําลังใจให้เราเห็นว่าอ๋อไม่ใช่แต่ภูจเจ้าเท่านั้นเนาะไม่ใช่แต่พระสาวกในสมัยพุทธกาลเท่านั้นแต่จริงก็ยังมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบต่อมาจนกทั่งถึงทุกวันนี้นะอย่างเช่นหลวงพ่อคําเขียนของพวกเราเองก็ดีเนี่ยก็เป็นผู้ที่ ได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะไม่ใช่แค่ได้ยินชื่อเสียงไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแต่เราเห็นผลที่ตัวเป็นๆ น, นะที่ท่านออกจากความทุกข์ได้เนี่ยเราก็เกิดความมั่นคงนะเกิดความมั่นใจว่าแนวทางตัวนี้ไม่ได้หายไปที่ไหนเนี่ยเราก็เดินตามรอยท่านอยู่นะในการฝึกสติในการ จเจริญปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เราก็ก็ได้ทําแล้วอันนี้ยเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเราเองเนาะบางทีเกิดความวุ่นวายในจิตใจเราเลือถึงคําสั่งสอนของหลวงพ่อของครูบาอาจารย์ต่างๆเราได้สติกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมาไม่เข้าไปเป็นผู้ดนะูไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เห็นนะไม่เข้าไปแสดงกับเขาด้วยอันนี้ เราก็ได้เลึกถึงคําสั่งสอนของหลวงพ่อครูบาอาจารย์เราก็ได้สติกลับมาเราก็ออกจากความทุกข์เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยพระรัตนไตรยทั้งสามเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเนาะในการสวดมนรรมต์ทำวัดในตอนเช้าเราไปได้เลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพร้อมกันแต่ในขณะชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องระลึกถึงพระรัตนไตยให้ได้ บ่อยๆนะก็จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเครื่องอยู่นะหรือว่าเป็นที่พึ่งก็ได้นะคาว่าสราะแปลว่าที่พึ่งเราก็จะได้ที่พึ่งในจิตใจของเราเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในการในการทาวัดเช้าอีกส่วนหนึ่งนะมันก็จะเป็นส่วนในการต็นเรื่องของความมีระเบียบความมีวินัยของเราเองเนาะ วินัยในที่นี้เป็นวินัยที่ใช้แบบภาษาแบบภาษาไทยนะภาษาทรงโลก ค, ความมีวินัยก็คือความที่เรียกว่าเราเราคล้ายๆมีกติกามีความพร้อมเพียงมีความสม่ําเสมอนะอย่างเราตั้งใจจะทําวัดเช้าทุกวันนะเราก็จะทําให้ได้ทุกวันนะด้วยความพร้อมเพียง แม้บางคืนแม้บางวันกายจะเหนื่อยล้านะแต่ก็จะตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าให้เป็นกิจที่ทำเป็นประจำทุกวันนะหรือแม้แต่การถือธู ด, ดงขวัตของเราเองก็ดีนะเรามีความตั้งใจว่าสมมติเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยแหละที่เราในช่วงที่เราออกจากฤกษ์ออกธู ด, ดงเนี่ยเราจะถือธุ ด, ดงขวัตข้อไหนเราก็จะทำให้ได้นะ อย่างที่ได้ตั้งสัจจะไว้อันนี้ก็เป็นการมีวินัยกับตนเองเ น, ะนาะบางทีการทำในบางสิ่งบางอย่างามันก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกอย่างเช่นตื่นมาตีห้าทาวัดเช้ า, ามันไม่ได้ยากเกินไปแต่คนที่จะแต่ตัวที่จะตรวจสอบได้ว่าเราสามารถทำได้สม่ำเสมอหรือไม่นะี่คือความมีวินัยของเราเองบางครั้งเราสามารถตื่น นะตื่นแบบนี้ได้ทําแบบนี้ได้ช่วงสองสามวันหรือว่าช่วงเจ็ดวันอันนั้นมันก็ดีเนาะแต่ถ้าใครทําได้เป็นเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนหนึ่งหรือเป็นตลอดชีวิตเลยเนะี่ยมันก็เรียกว่าเป็นความมีวินัยมากขึ้นกับตัวของเราเองเหมือนคนเรียนหนังสือเนาะบางครั้งแล้วก็ขยันอ่านหนังสือทุกวันนะ แต่บางคนก็ขยันอ่านหนังสือแค่เฉพาะช่วงสอบบางวันก็ขยันอ่านหนังสือเฉพาะช่วงที่มีอารมณ์อ่านช่วงไม่มีอารมณ์ก็ไม่อ่านนี่มันก็จะวัดคุณภาพเลยว่าคนที่อ่านทุกวันคนที่ทําแบบสม่ําเสมอเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีวิ น, นัยกลายเป็นคนที่เรียนหนังสือได้เก่งเหมือนกับนักกีฬานักกีฬานักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้เขาจะเก่งขนาดไหนนะเขาก็ต้องซ้อมทุกวัน ซ้อมแบบสม่ำเสมอด้วยนะบางคนมีพรสวรรค์แต่ไม่มีวินัยในการซ้อมก็ไม่ประสบความส็จในในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนก็ดีเรื่องกีฬาก็ดีหรือที่จริงแม้แต่เรื่องการทำงานก็ดีถ้าเราคิดว่าหลายคนก็เคยทำงานกันมาอยู่แล้วก็เห็นว่าเพื่อนร่วม ง, งานของเราเองก็ดีหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ดีอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทาให คนคนนั้นได้รับการยอมรับอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้คนนั้นประสบความสําเร็จความมีระเบียบวินัยความตรงต่อเวลาคุณธรรมพวกนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญเนาะทําให้เกิดการยอมรับในหมู่เพื่อนนะหรือว่าการงานประสบความสําเร็จอันนี้ยวินัยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะถ้าเราฝึกฝนตนอยู่เสมอแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอเนอี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นคุณธรรมที่ที่ฝังลึกในจิตใจของเราเองแล้วมันจะเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้เราทำให้เราเรียกว่าฝ่าฟันความทุกข์หรือว่าพ้นจากความเกลียดคร้านแล้วก็กิเลสมันก็จะไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างให้กับจิตใจของเราได้เนาะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องภายนอกเช่นการตื่นมาทำวัชชาติหรือว่าทำกิจวัตรต่าง ก็ต้องอาศัยวินัยแต่จริงไม่แต่การปฏิบัติธรรมเองก็ดีนะก็ต้องอาศัยวินัยเป็นอย่างยิ่งนะนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อชาท่านกล่าวไวนะ้ขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัตินะไ ม, ไม่ได้มีข้ออ้างว่านะขยันค่อยปฏิบัติขี้เกียจก็พักไปนะหรืออย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ก็เคยเตือนดาพิสุว่านะ การทำความเพียรไม่ใช่ว่าอ้างว่ า, าตอนนี้ร้อนนักตอนนี้หนาวนักตอนนี้มันสายแล้วตอนนี้ยังเช้าเกินไปนาบางทีกิเลสมันก็จะเอาเอาความร้อนเอาความหนาวเอาความเหนื่อยเอาความสบายเอาความสายเอาความเช้ามาเป็นข้ออ้างให้ผัดผ่อนนะเหมือนคนที่คล้ายค อนะดินพ่อห่างหมูเนาะก็จะพัดผ่อนไปเรื่อยเกอตอนนี้มันยังเช้าอยู่อนอนก่อนดีกว่าตอนนี้มันสายแล้วเอไปทําอย่างอื่นดีกว่าตอนนี้มันร้อนเกินไปปฏิบัติไม่ได้ตอนนี้มันหนาวเกินไปปฏิบัติไม่ได้ตอนนี้ไม่สบายนะปฏิบัติไม่ได้หรอกมันทุกข์เกินไปตอนนี้สบายอยู่โอ้ยไปทําอย่างอื่นดีกว่านะ่ะไว้แก่ๆค่อยมาปฏิบัติบางทีในกินเลสมันจะเอาพวกนี้ติดคออ่างนะ่ะ ทมความให้มันเรียกว่าได้เยการปฏิบัติได้โดยการฝึกฝนตัวเองนะถ้าเรารู้ทันพวกกิเลสพวกนี้ยมันก็จะทําให้นะเราสามารถเรียกว่ารู้ทางรู้ทางกิเลสนะแล้วก็สามารถชนะกิเลสได้เนื่องจากาเรารู้ทันมาแล้วนกะารรู้ทางทําให้เรารู้ทันแล้วก็ชนะเขาได้เนาะบางทีเนี่ยวิัยที่เราทําแบบสม่ำเสมอเนี่ยแหละเนาะ แม้จะเกียดค้านเท่าเท่าไร่เราก็จะตื่นมาทำวัดเช้าแม้จะเกียดค้านเท่าเท่าไร่เราก็จะมีการปฏิบัติในรูปแบบอยู่บ้างนอกรูปแบบเราก็พยายามปฏิบัตินะให้ได้ตลอดเวลาแบบเนี้ยการมีวินัยจะช่วยเรื่องพวกนี้มากนะทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตทางโลกแล้วก็ในชีวิตทางธรรมด้วยเนี่ยการการทําวัดเช้านะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะ ของการทำให้เรามีวินัยการที่เราตั้งสัจจในเรื่องธุดมงขวัตข้อใดก็เหมือนกันก็ก็เป็นการทดสอบดูว่าเรามีมีวินัยกับตนเองไหมนะมีวินัยกับตนเองไหมหรือบางคนอาจจะมีความตั้งใจอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งดีงามแล้วก็อาศัยการตั้งศัจจแล้วก็ให้มีวินัยกับตนเองก็จะทาให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้มันก็สาเร็จได้เช่นเดียวกั น, น อันนี้คือคือสิ่งที่พวกเรานะได้มาทำร่วมกันเนาะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีมีเก็บอีกนิดหนึ่งนะไม่รู้กลุ่มพวกเราบางคนบางคนอาจจะได้เจอนะบางคนอาจจะไม่ได้เจอนะมีมีพระธุ ด, ดง2สองรูปนะท่านก็เดินสวนพวกเราลงไปนะท่านบอกว่าท่านเดินจากแม่สายนะจังหวัดเชียงรายนะ แล้วก็เดินผ่านพวกเราเราในเมื่อวานเนี้ยท่านเดินมาเกือบหนึ่งเดือนละนะท่านมีความตั้งใจว่าจะเดินต่อไปจนถึงจังหวัดภูเก็ตนะระยะทางคงร่วมประมาณห้าพันหกพันกิโลเมตรนะท่านบอกปีที่แล้วท่านก็เดินประมาณนี้เหมือนกันเดินเจ็ดเดือนกว่ากว่าห้าพันกว่ากิโลนะพอเราได้ยินที่นั่นเนาะโอคณะที่พวกเราตู้ดองเนาะไม่ถึงเดือนเนี่ยเกือบเดือนหนึ่ง ประมาณอาจจะประมาณหกร้อยกิโเมตรนี่เป็นเด็กๆ เ, เลยนะเ <c oughs> จี๊ยบๆเนี่ยเนะมื่อเทียบกับท่านที่เดินปีหนึ่งนะทั้งแต่ออกพรรษาจนถึงเกือบถึงเข้าพรรษาเนาะห้าพันหกพันะ 5, 000, 6, 000กิโลพวกเรานี้ประมาณหกร้อยกิโลประมาณหนึ่งส่วนสิบของท่านเนะี่ยเราก็เห็นว่าเออไอชื่จริงบางคนนะ่ะอาจจะเดินวันแรกสองวันเนี่ยทําไมมันเหนื่อยเหลือเกินทําไมมันหนักเหลือเกินทําไมมันล้าเหลือเกินเนาะ บางทีก็เอาตัวอย่างของคนที่ท่านนะท่านมีความเพียรอย่างเข้มข้นในการฝึกฝนสุดงเช่นเนี้เออก็ได้กำลังใจเนาะเออบางทีเราจะเดินแล้วเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อก็ให้คิดถึงว่าจะมีคนที่ที่เขาทำหนักกว่าเราอีกนะการเดินทางห้าหกพันกิโลในหนึ่งปีนี่ไม่น้อยเนาะนะ เกือบครึ่งประเทศไทยนะคงรอบตั้งแต่นวนจังหวัดแม่สูงสุดนะแม่สายเชียงรายรอบลงมาเรื่อยๆจนถึงเกือบภูเก็ตก็บนออกมาอีกรอบหนึ่งก็น่าจะครบละ้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ ท, ท่านได้ทำมาเนาะเราเองนะแค่ช่อเวลาประมาณแค่หนึ่งเดือนนี่ก็คงไม่ยากเกินไปหรอกเนอะถ้าเราค่อยๆ เดินทีละเก้านะเดินทีละเก้านะไม่ต้องไปคิดว่าจุดหมายของเราจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าในการพุทโธครั้งนี้เราก็ไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนว่าจะไปจบที่ไหนแล้วก็มีเพียงแค่ระยะเวลาหรือจํานวนวันที่อาจจะเป็นตัวกาหนดหน่อยเนื่องจากมีการงานนะแล้วก็เอาแค่ตรงนั้นแต่เราจะเดินได้ถึงไหนนะไม่สําคัญเท่ากับขณะที่เดินเราเดินอย่างไร นะไม่ใช่ว่าจุดหมายระยะทางหรือจำนวนกิโลเมตรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเดินทุดองหรือว่าการจานิงนีเนาะแต่สิ่งที่สําคัญสุดคือเราเดินอย่างไรนะเดินอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามีท่าเดินอย่างไรเนาะแต่หมายความว่าในขณะที่เดินเราวางใจอย่างไรนะหรือรวมถึงขณะที่เราใช้ชีวิตขณะที่พักนะขณะที่ดับนอนด้วยว่า เราใช้ชีวิตยอย่างไรอันนั้นแหละคือสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าสําคัญยิ่งกว่าการที่เราเดินทางไปตามป่าตามเขาตามถนนตามผ่านจังหวัดทางหมู่บ้านต่างๆอันนั้นอันนั้นยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือเราเดินอย่างไรนะเดินด้วยการวางใจอย่างไรเดินด้วยการได้เรียนรู้จิตใจเรียนรู้ร่างกายหรือเรียนรู้ ธรรมะที่ธรรมชาติเขาสอนเราเดินไม่นะถ้าเราสามารถเปิดใจเรียนรู้ตรงนี้ได้อันนั้นแหละคือการเดินทางที่แท้จริงเนาะให้พวกเราจะลึกถึงการเดินทางตรงนี้อยู่เสมอเนาะนะเราไม่ได้ไปกําหนดจิตใจเราอยู่ที่ว่าเป้าหมายว่าวันนี้จะต้องเดินให้ได้มากๆหรือว่าปีนี้จะต้องเดินให้ได้ไกลๆนะไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่นะ่ะ เรากำหนดทิศทางของการเดินเท่านั้นนะแต่จริงทุกขณะ ท, ทุกย่างก้าวในการเดินทางนั่นแหละสำคัญที่สุดนะจุดหมายมันอยู่ที่ปลายเท้าจุดหมายมันอยู่ทุกขณะทุกขณะที่เรารู้สึกตัวนันเราถึงจุดหมายแล้วจุดหมายในทางธรรมก็คือความไม่ทุกข์จุดหมายคือจิตใจที่เป็นปกติ น, นั่นคือจุดหมายที่เราสามารถสัมผัสได้ในทุกขณะจิตทุกขณะการเดินทาง ทุกขณะการใช้ชีวิตของเรานะก็ฝากไว้ในชาวันนี้